มีภาษิตฝรั่งบอกว่า30การกระทําทําให้เกิดหนึ่งหนึ่งความเคยชินมันจากว่าคิด30ความคิดทําให้เกิดการกระทําคร้อ น, นี้ก็เป็นตัวเลขนะเป็นจานวนตัวเลขเฉยๆสาการกระทําทําให้เกิดความเคยชินหรือนิสัยฮาร์บิทเนี่ยฮาร์บเนี่ยแปลว่าอะไรนิสยัยใช่ไหม สามินิสัยทำไมเลิกกลายเป็นคาเลคเตอร์คาเลคเตอร์นี่เรียกว่าอะไรอุปนิสัยหรือว่าเป็นเป็นบุคลิกลักษณะส่วนตัวเลยใช่ไหมสามสิคาเลคเตอร์แต่ยังไม่เลิกกลายเป็นหนึ่ง Destiny, เดสตินีแปลว่าอะไรฮะแปลว่าอะไรนะโชคชะตาหรือว่าเป็นชะตาชีวิตของตัวเองใครที่ชะตาชีวิตไม่ดีให้ไปดูลักษณะนิสัยของตัวเอง <laughs> ใครบ่นนะ ชีวิตฉันเนี่ยชะตาชีวิตฉัไม่ดีให้ไปดูนิสัยตัวเองก่อนนิสัยตัวเองเป็นยังไงนิสัยไม่ดีให้ไปดูดูอะไรดูแฮบบิตคุณดูพฤติกรรมในแต่ละวันของตัวเองดูพฤติกรรมเสร็จแล้วพฤติกรรมไม่ดีให้ดูความคิดตัวเองมันมาจากความคิดไม่รู้ว่าที่ตาฝรั่งคนนี้มาศึกษาพุทธศาสนาหรือเปล่ามันมาจากความคิดก่อนมันคิดไม่ดีก่อน แล้วคิดไม่ดีเนี่ยถ้าเราไม่ทนกับมันไม่ทนต่อความคิดนี้ปล่อยให้ความคิดนี้ครอบงำหรือไม่เห็นด้วยสติมันก็จะทำให้เกิดการกระทำทำบ่อยๆกลายเป็นนิสัยเป็นพฤติกรรมส่วนตัวแล้วก็กลายเป็นชะตากรรมของตัวเองบางทีก็ต้องผสมกันนะเอาฝรั่งมาสอนบ้างเอาพระมาสอนบ้างมันต้องทนเหมือนกันนะเรื่องความทนเนี่ยนึกขึ้นได้อีกอย่างหนึ่ง บูสลีรู้จักไหมใครจักบูสลีถ้ารู้จักเนี่ยแสดงว่า <laughs> มีใครไม่รู้จักบ้างไหมขอดูหน่อยไม่มีเด็กๆ เ, เลยเนาะคนที่รู้จักบูสลีเนี่ยเพราะเขาตายมานานแล้วใช่ไหมเป็นดาราฮ่องกงบูสลีเนี่ยมีชื่อเสียงในด้านศิลปะการต่อสู้มีคนไปถามว่าที่เขาต่อสู้มาเนี่ยเขากลัวใครเขาบอกว่า ในบรดาคู่ต่อสู้ของเขาเขาไม่กลัวเลยประเภทที่ว่าคู่ต่อสู้ที่ชกได้หลายท่าเตะได้หลายท่ามีท่าทางกระบวนท่านะกระบวนท่าที่หลายท่ามีกระบวนท่าหลายกระบวนไม่กลัวเลยพวกนี้ไม่กลัวเขาจะกลัวไอ้คนคนหนึ่งเนี่ยที่มันทำอยู่ท่าเดียวหนึ่งพันครั้งคือไม่กลัวคนที่มีกระบวนท่าพันท่าแต่กลัวคนที่ ทำอยู่ท่าเดียวหนึ่งพันครั้งคือไอคนนี้อดทนมีอดทนดีแล้วก็จะมีทักษะในท่านั้นคนที่ทนอย่างนี้ได้เนี่ยน่ากลัวนั้นเวลาเราปฏิบัติธรรมเลยนะเราจะมีความคิดอันหนึ่งว่าเอ้เรามันต้องระดับนี้แล้วเราต้องแยกขัน พยายามแยกขันลืมลืมกระบวน่าเดิมมีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้ลืมดูอยากจะได้มักผลลืมดูตัวอยากนะเรียกว่ากระบวน่าเดิมไม่มั่นคงกระบวน่าเดิมเนี่ยกระบวนที่เห็นว่านับหนึ่งเนี่ยเราเห็นว่ามันจะมีประเภทหนึ่งว่าชั้นเนี่ยมันระดับนี้แล้วจะมาดูเฉพาะสภาวะเนี่ยกระจก อ, อาจารย์มาสอนเนี่ยนะ ถ้าสอนดูสภาวะเนี่ยไม่อยากฟังฉันอยากจะอัปเกรดฉันอยากจะฟังประเภทว่าต้องต้องแยกขันหรือต้องกระบวนการตอนถึงนิพพานมรรคผลมันเป็นยังไงอยากจะฟังตรงนั้นลืมดูว่าขณะนี้มีกิเลสอะไรอยู่ขณะนี้มีความโลภอยู่ขณะนี้มีความถือตัวอยู่ลืมดูลืมดูสภาวะเพราะนั้นอย่าว่าแต่ว่าจะ อ, อัปเกรดเลยเกรดเดิมยังไม่ผ่านเลยอย่า <laughs> งนี้นะ ทนต่อการที่จะอยู่ในเกรดเนี่ยทําพื้นฐานให้แน่นทําพื้นฐานให้แน่นแล้วส่วนที่ว่าพอพื้นฐานแน่นแล้วมันจะได้เวลาอัปเกรดมันจะเห็นสภาวะใหม่เวลาเราจเจริญสติดูสภาวะเนี่ยถ้ามันแน่นแล้วเนี่ยนะเวลาครูบาอาจารย์แนะนิดหนึ่งจะเห็นได้ว่าจิตที่มันเคลื่อนมันเป็นอีกแบบหนึงกับการเห็นสภาวะที่เป็นกิเลสอย่างเดียว การเห็นกิเลสอย่างเดียวนันเป็นเห็นเป็นเป็นช็อตชอเหมือนถ่ายภาพแชะแชะได้ภาพคนยิ้มได้ภาพคนหน้าบึ้งได้ภาพคนเม่อเม๋อเป็นช็อตชไม่เห็นถึงความเคลื่อนไหวที่มันทํางานเองถ้าจะพัฒนาขึ้นมามันต้องเห็นไอ้ช็อตชอนี้ให้ชำนานก่อนแล้วมันจะเห็นเลยว่าเฮ้ยมันมีการทําอีกแบบหนึ่งของจิตที่มันมันเคลื่อน มันไปมันไปตามตามันไปตามหูหลับตาแล้วอุดหูแล้วมันก็ยังคิดนึกมันไหลไปในใจแม้กระทั่งว่าจะตั้งท่านั่งสมาธิสักทีนึงเนี่ยสมมุติน่าจะทำเลยนะมันจะมีการตั้งท่ามันมีความไหวตัวจากความปกติมาเป็นการปรับแต่งท่าทางและจิตใจเป็นงั้นไม่เคยทำไหมถ้าจะให้นั่งสมาธิตอนเนี้ยอา้าวทุกคนกําหนดทุกคนจะ ใช่ไหมไม่ทํามชาใช่ไหมมีการปรับแต่งทั้งกายจริงๆมันก็คือปรับแต่งทางจิตก่อนแล้วไม่เห็นแล้วไม่เห็นคือลืมเจริญสติดูกายและดูใจปัจจุบันเตรียมพร้อมแล้วฉันจะไปนิพพานแล้วลืมลืมดูตรงนี้นั้นเอาพื้นฐานแน่นนะไม่กลัวไม่กลัวว่าตัวเองจะล้าหลังไม่กลัวว่าตัวเองจะล้าหลัง ไม่กลัวว่าตัวเองยังแช่อยู่ขั้นนี้อาจารย์สุรศสกบอกว่านับหนึ่งต่อไปใครใครเคยไปเรียนกับอาจารย์สุรศักดิ์ไหมท่านจะย้าว่านับหนึ่งนับหนึ่งคือยังไงเสียอย่าลืมขั้นพื้นฐานแม้แต่หลวงตามหาบัวใช่ไหมหลวงตามหาบัวบว่าทุกครั้งเลยทุกขั้นตอนเลยต้องกลับมาพุโทโธไม่ใช่ว่าชั้นระดับนี้แล้วไม่ต้องพุโทโธแล้ว เหมือนขี่จักรยานปล่อยมือได้แล้วฉันจะไม่ไม่จับแผ่นอีกต่อไปมันต้องจับแผ่นเหมือนกันเริ่มต้นออกจากโรงรถเนี่ยก็ต้องจับแผ่นไปก่อนพอถึงระดับหนึ่งปล่อยมือได้ก็ปล่อยอย่างนี้นะเราไม่ใช่อยู่ในท้องถนนตลอดเวลาแล้วก็เอาจักรยานกลับบ้านเหมือนกันตอนกลับบ้านจะปล่อยมือไปตลอดไม่ได้แล้ะเกิดความเสียหายแล้วก็ต้องมีจับแผ่นเหมือนกันการปฏิบัติไม่ใช่ว่าฉันจะอัปเกรดไปแล้วแล้วลอยตัว มันก็มีจังหวะที่มันมีเราจะต้องมากลับสู่พื้นฐานมาดูสภาวะปัจจุบันในแง่ของการเจริญสติแบบปกติคือดูสภาวะขณะนี้เป็นยังไงจิตเราเป็นยังไงมีความยินดีหรือยินร้ายหรือมีกิเลสอะไรเกิดขึ้นตอนนี้เราเคยเรียนรู้ว่านอกจากอย่างนี้แล้วมันจะต้องมีการเห็นความไหวหรือเห็นความไม่ตั้งมั่นของจิตด้วยคราวนี้ก็พอมีสติ ดูพฤติกรรมจนมันไม่ค่อยมีพฤติกรรมอะไรให้ดูแล้วมันจะมีความไหวให้ดูนะแค่หลับตาเราจะเห็นเลยว่าแม้แต่สังเกตความกระพริบตามันก็มีความไหวแล้วกระดิกนิ้วเนี่ยก็มีความไหวแล้วมือลูบเนี่ยจิตมันไหลไปสู่ถ้ามีความตั้งใจจะไปดูมันด้วยนะก็จะมีความไหวของใจที่ไปดูเห็นความเคลื่อนของมันมันแสดงถึงความไม่ตั้งมัน่น ตรงนี้นะจะเป็นอีกระดับหนึ่งอีกเกรดหนึ่งแต่ไม่ใช่ไปดูถูไอกเกรดเดิมเข้าใจไหมไอกเกรดเดิมก็ต้องทําต่ออีกเกรดนี้ก็คือว่าทำให้มันมีสมาธิคือความตั้งมั่นขึ้นมาก็ต้องทําด้วยเห็นความไม่ตั้งมั่นจะเกิดความตั้งมั่นขึ้นมาเห็นความไม่ตั้งมั่นของมันก็คือมันมีการไหลไปไหลไปทางตาทางหูทางจมูกทางแม้แต่ทางลิ้นนะอยู่ในปากเองเนียนะมันก็ไหลามานะมีความรู้สึกไหมลากินแล้ว อินกับรสชาติเนี่ยะมันก็ไหลมาที่ลิ้นแล้วนอกในนั้นเนี่ยสองเกรดนี่แล้วนะมีอีกเกรดหนึ่งคือว่าเห็นลักษณะของมันเห็นว่ามันเกิดมันดับเห็นมันไหลไปแล้วยังเห็นมันเกิดมันดับด้วยนจึงจะเกิดปัญญามีสติรู้สภาวะนี่ขั้นที่หนึ่งมีสติเห็นมันเคลื่อนไปได้สมาธินี่ขั้นที่สองเห็นมันเกิดมันดับเป็นขั้นที่สามคือมัน เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้ของมันเห็นว่ามันบังคับไม่ได้ด้วยเป็นอนัตตา3ระดับพอถึงระดับนี้แล้วไม่จะค้างถึงแค่นี้แล้วไม่ยอมกลับมาสู่ระดับเดิมกิเลสเกิดขึ้นก็รู้กิเลสอีกเห็นความไหวของมันก็เห็นอีกเห็นแล้วยังไม่เกิดถึงตัวนี้ไม่มีกิเลสดูกิเลสต่อมันไม่ใช่ว่าขึ้นมาระดับ3าแล้วจะค้างเติงนะดูไปเรื่อยๆสามแบบนี้3อย่างนี้สมลักษณะอย่างนี้ พอได้ไหมวันนี้คงโอวาทปาดิโมกคงไม่ครบหรอกแค่สัพพาปาปัสะการณนังนั่นงขันตินิพพานแล้วผพูดถึงสัพพาปาปัสะกาลรณนังอากุศลระดับที่สมเดี๋ยวเดี๋ยวจะลืมมันมีอากุศลระดับแรกรุนแรงทำให้เราทำผิดทางกายทางวาจาระดับที่สองมีอยู่แต่ไม่แรงพอที่ทํทำให้ทำผิด แบบที่สามนี่น่าสนใจมากเป็นเหตุผลว่าทําไมเราจึงต้องมาปฏิบัติธรรมแบบที่สามเนี่ยนะเราเจออะไรไม่พอใจเกิดความไม่พอใจในใจนิดเดียวแล้วไม่รู้ทันความไม่พอใจนั้นถูกเก็บไว้ในจิตเรียกว่าอนุสัยเห็นอะไรน่าพอใจไม่รู้ทันแล้วมันก็ดับเลยนะ ดับไปโดยที่ยังไม่มีสติไปรู้ความพอใจตรงนั้นถูกเก็บไว้ในจิตเรียกว่าอนุสัยเหมือนกันเหมื่อไปพักหนึ่งไม่ใช่พักแค่ขณะเดียวไม่มีสติรู้ความเหมือนนั้นความเหมือนั้นดับไปถูกเก็บไว้ในจิตเรียกว่าอนุสัยอีกอันหนึ่งพอใจแล้วไม่รู้ตัวจิตอันนั้นดับไปแล้วถูกเก็บไว้ในจิต เรียกว่าราคานุสัยมีความโกรธไม่พอใจไม่พอใจนี่ไม่ใช่ว่าโกรธเหนื่อแตกหน้าแดงไม่ใช่งั้นะแค่ไม่พอใจแค่ไม่พอใจแล้วไม่รู้ทันแล้วดับไปแล้วไม่ทันได้รู้ตัวถูกเก็บไปแล้วในจิตเรียกว่าโทสานสัสเืมอรลอยเมื่รลอยไม่รู้ตัว เป็นอัลไซดยอีกตัวหนึ่งน่ากลัวไหมพระเจ้า บ, บอกว่ามันเกิดกิเลสละเอียดอย่างนี้นะแม้ไม่มีถึงขังน้นที่ว่าคิดจะทำผิดคิดจะทำผิดแล้วไม่ทำเป็นระดับที่สองที่ว่าแล้วคิดจะทำผิดแล้วดันทำเนยอย่างหยาบเลยแค่มีความพอใจเกิดขึ้น หรือความไม่พอใจเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นแล้วไม่รู้ทันมันเก็บไปเป็นอนุสัยไปแล้วอนุใสเนี่ยมันจะก่อโทษให้เห็นตอนที่ว่ามีอะไรมาสกิดนิดนึงแล้วเราก็ไม่พอใจมีอะไรมากระตุ้นนิดนึงแล้วเราก็เผลอเพลินพอใจเพราะเราสะสมความเผลอเพลินในแง่ของดีใจเสียใจดีใจเสียใจแล้วไม่มีสติไปรู้มัน เรียกว่าอนุสัยมันนอนก้นอยู่เนีพอมีอะไรหยดเป็นหน่อยหนึ่งความขุ่นก็ขึ้นผงผงละองในน้ําก็ขึ้นขึ้ น, ข, นขึ้นมาแสดงความมีอยู่ของกิเลสก็เรียกว่าอนุนอนนออนสนนัยนอนเนื่องอยู่ในสันดานในภาษาโบราณกันนะอนุสัยนอนเนื่องอยู่ในสันดานคนทั่วไปคิดว่าฉันก็ดีอยู่แล้วไม่ต้องปปฏิบัติธรรมเขาลืมลืมมาอ่านพุทธพจน์หรือลืมมาดูคําสอนตัวนี้ว่า มันมีกิเลสตัวหนึ่งที่เรียกว่าอนุสัยถ้าคุณมีชีวิตอยู่โดยที่ไม่มีสติคุณกำลังสะสมอนุสัยมีพอใจนิดหน่อยก็สะสมราคาอนุสัยราคาราคะราคะบวกอนุสัยเป็นราคาอนุสัยยินดีพอใจแล้วไม่รู้ทันมีัหมมีทั้งวันไม่ใช่ไม่ใช่มีราคะทั้งวัน มันมีราคะบ้างมีโทสะบ้างโทสะเนี่ยแค่ไม่พอใจเช่นตื่นมาแล้วงวงเงียไม่ชอบอันนี้ก็เป็นโทสะอย่างหนึ่งแม่มาปลุกโอ้ยขอนอนต่ออีกหน่อยไม่ชอบเสียงแม่หรือในกาปลุกเสียงดังจังไม่ชอบเสียงนี้นี่ก็คือเป็นโทสะ เกิดขึ้นในใจไม่พอใจโทสะนี่คือความไม่พอใจในอารมณ์นั้นอารมณ์คือสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ชอบสิ่งนั้นเรียกว่าเป็นโทสะชอบสิ่งนั้นเรียกว่ามีราคะดังนั้นไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบหรือว่าไม่รู้เรื่องเลยเมื่อๆเป็นโมหะทั้งชอบและไม่ชอบจะมีโมหะผสมอยู่ด้วยไม่รอดเพราะฉะนั้นเราไม่รอด สะสมอนุสัยกันอยู่เรื่อยๆมาไม่รอดวิธีที่จะให้อนุสัยน้อยลงหรือหมดพิษสงลงไปก็คือทุกครั้งที่มีอะไรเกิดขึ้นรู้ทันรู้ทันมันตอนรู้ทันจะเป็นกุศลเกิดขึ้นมาเรียกว่ามีสติมีสติขึ้นมาขณะนั้นเป็นกุศลขณะนั้นได้ละอนุสัยไปแล้วหน่อยหนึ่งอนุสัยขาดตอนไปแล้วหน่อยหนึ่งถูกละไปแล้วหน่อยหนึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมเราจะต้องเจริญสติสติสําคัญยังไง เพราะถ้าไม่มีสติเราจะสะสมอนุสัยดีใจแล้วไม่รู้ตัวอนุสัยเสียใจแล้วไม่รู้ตัวอนุสัยเื่อเพลินไม่รู้ตัวก็อนุสัยไม่ดีใจไม่เสียใจแต่ไม่รู้ตัวก็อนุสัยน่ากลัวไหมถ้าเรารู้สึกว่าน่ากลัวมันก็ต้องมาปฏิบัติธรรมแล้วใช่ไหมคือต้องมาเจริญสติแล้วใช่หมต้องมาพัฒนาจิตใจตัวเองต้องมาอาธิจิตเตจายโยโคนี่แหละ มันประกอบในการทําจิตให้ยิ่งต้องจบแล้วล่ะต้องมาสรุปตร ง, ถ, งถึงจบแล้วสับปะปาปราศอาการนังเนี่ยทำได้ข้อเดียวนี่ก็ผ่าตัวรอดละหลวงพ่อชาบอกว่ า, วาอย่ามัวไปคิดว่าจะทําบุญให้มากเลยทําการละบาปซะก่อนดีกว่าไหมเห็นไหมแสวงหาบุญจังเลยจะทอดพระปา่าจะทอดกรถินจะถวายนวนจะถวายนี่มาทําความไม่ทําบาปกันก่อนดีกว่าไหมเห็นบาปใ ห, ให้ให้ทันก่อน มันเป็นข้อแรกในในคำสอนที่เป็นหลักของพระเจ้าโดยสรุปไปสัพผ้ปาปัสะปปสะอากาศหนังคุณต้องเคลียร์ตัวเองให้ได้ก่อนว่าอย่าให้มีสิ่งไร้ล้ า, ลาเกิดขึ้นมาเหมือนจะมีภาชนะเพื่อจะรองรับอาหารคุณไปล้างภาชนะให้สะอาดก่อนถ้าภาชนะยังเคลอะอยู่ถึงจะใส่ข้าวปลายาจะใส่สปาเก็ตตี้จะใสอะไร FC, อะเคเอซะไรเนะี้ยมันก็ไม่น่ากินเพราะ ภาชนะโสกปกปรกเราก็ต้องพัฒนาภาชนะคือกายใจของเราให้สะอาดสัพปปาปัสสะอาการนั้งเคลียมันซะรู้ให้ทันความไม่ดีทั้งหลายความเป็นอกุศลทั้งหลายความบาปทั้งหลายในใจในกายไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกกายนี่มันก็เคลืออยู่แล้วกายนี่มีความเคลือของมันอยู่แล้วนะแต่ใจเนี่ยล้างแล้วล้างเลยล้างแล้วล้างเลย มันจะมีล้างประเภทว่าล้างแล้วไม่กลับสกปรกอีกก็คือถึงขั้นมักผลแต่ถ้าไม่ถึงขั้นมักผลคือขั้นโลกรุตระเนี่ยเราก็ต้องคอยหมั่นล้างมันไปมันล้างไปอย่างนี้นเบาใจไม่ได้วางใจไม่ได้ต้องคอยดูแลมันดูแลใจอันนี้ส่วนกายนี้เคอะกายนี้เป็นรังของโรคแต่เราก็ต้องดูแลรู้อยู่ว่ามันต้องสกปรกทุกวันก็ต้องดูแลทุกวันใจนั้นยิ่งกว่านั้นอีก ไม่ต้องรอให้ครบวันใช่ไหมกายเนี่ยยังเช้าเย็นอาบน้ำยังพอพอครบได้ใช่แต่ถ้าใจเนี่ยนะถ้าไม่ดูแลเนี่ยนะโอ้คบยากคบยากมันจะเหมือนน้าร้อนกับน้ำเย็นที่เปรียบเทียบไว้ไม่ใช่ว่าจะร้อนเฉพาะโทสะนะราคะก็ด้วยคนเมื่อยลอยคนพูดมากเคยเจอคนพูดมากไหมพูดจร้ายสาระแล้วเราก็ไม่อยากจะอยู่ด้วยแม้แต่คาพูดที่ไม่โกหก ไม่โกหกเลยนะไม่ได้พูดคำหยาบด้วยไม่ได้พูดให้ร้ายใครให้เขาแตกแยกกันด้วยแต่มันไม่มีสาระเราก็ยังไม่อยากจะอยู่ด้วยเลยเป็นคํคสอนของพระเจ้าเนี่ยนะมันมันมาซึ้งใจครั้งหนึ่งตอนที่ว่าพระเจ้าบอกว่าหน้าที่ของาศาสดาพระองค์ทมแล้วแสดงหมดแล้วแสดงทั้งทางที่ผิด แสดงให้ทั้งทางที่ถูกควรไปแสดงวิธีแสดงจุดมุ่งหมายแสดงทางถึงไปแสดงถึงหรือว่าถึงแล้วมันจะมีสภาวะแบบไหนสภาวะนั้นเรียกว่าอาญาตนานั้นเน่ยไม่ใช่มีการไปไม่ใช่มีการมาไม่ใช่โลกหน้าไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่ประจันไม่ใช่ดวงดาวไหนเลยแต่มันมีอยู่ยนะอะไรที่มันทุกอยากอ่างตั้งแต่จุดเริ่มต้นตั้งแต่ความ ผิดทั้งหลายท่านก็แสดงถึงเส้นทางที่ผิดทำวิปั ส, สนาแล้วมันจะมีความเข้าใจผิดอย่างนี้เรียกว่าวิปั ส, สนูท่านก็อธิบายอีกมรรคผลขนาดที่เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรโคตรรูเคยได้ยินไหมโคตรรูคือมันจะเป็นปุถุชนธรรมดาก็ไม่ใช่จะเป็นอะไรระดับโลกุตละจะเป็นโสดาบันก็ยังไม่ใช่มันมีอยู่ขณะเดียวนั่นแหละท่านก็ยังเอาสา เอามาแสดงให้ดูเหมือนกับคนจะเดินก้าวจากเรือขึ้นฝั่งเนะตอนอยู่ในเรือก็คือเป็นปุถุชนขึ้นฝั่งก็เป็นอริยะแต่มันจะมีอยู่ขั้นหนึ่งอะ่ะเรียกว่าขาข้างหนึ่งก็อยู่ที่เรือขาอีกข้างหนึ่งก็อยู่ที่ฝั่งเนี่ยนะขั้นนี้ท่านยังเอามาแสดงเลยละเอียดนิดเดียวเนี่ยตรงนี้ท่านยังเอามาแสดงท่านเลยบอกว่าสิ่งทั้งหลายที่ควรแสดงท่านแสดงแล้วหน้าที่ของพระศาสดาเราทําแล้ว ต่อไปหน้าที่ของเธอโน่นโขนไม้โน่นสุนยาคารไปหาที่ว่างเล้วนะหาที่ว่างสุนยยาคารเนี่ยบางแห่งก็แปลว่าเรือนว่างแต่อาจารย์บางองค์ก็แปลว่าที่มันว่างจากเรือนไม่เหมือนกันนะเรือนว่างกับว่างจากเรือนเรือนว่างนี่คือมีเรือนอยู่แต่ไม่มีคนอยู่ แต่อาจารย์ที่บอกว่ามันว่างจากเรือนเนี่ยน่าจะถูกกว่าท่านเปรียบว่าเหมือนคำว่าศูนยากาศคือไม่มีอากาศศูนยาคารคือไม่มีอาคารคือไม่มีบ้านไปหาที่วิเวกนะปันตันจะสยนาสนางังไปหาที่วิเวกหาที่นั่งที่นอนในที่วิเวกแต่เดี๋ยวนี้หายากกรุงเทพไปเมืองช น, นีนหาที่ว่างจากบ้านในยากมากเลยนะไม่ค่อยมีจะหาที่ว่า ปอจากบ้านเนื้อหายากแล้วก็ทำให้บ้านเราเนี่ยเป็นที่วิเวกมันมีวิเวกอยู่3าอย่างกายวิเวกจิตวิเวกอุปเิวิเวกกายวิเวกก็คือไปหาที่มันไม่มีคนลำบากใช่ไหมก็เอาจิตวิเวกทำที่อยู่ท่ามกลางคนเนี่ยให้ไม่ไปทำการคลุกคลีอยู่ตรงเนี้ยแต่ไม่คลุกคลีหาที่ส่วนตัวไม่คลุกคลีเดี๋ยวก็ขึ้นห้องสมุดไปดูหนังสือไม่คลุกคลี มานั่งฟังนี้ก็ไม่คุยกันจอกแจ๊กไม่ครุกคลีกันเองสนใจในในผู้บรรยายไม่ใช่ผู้บรรยายองนี้คนอื่นก็แล้วแต่ที่มาเราก็ทำความวิเวกให้เกิดขึ้นทั้งตัวเองแล้วก็เอื้อเฟื้อคนอื่นด้วยเสร็จแล้วมันก็จะเกิดอุปทิวเวกก็คือไม่มีกิเลสวิเวกจากกิเลสน่าสนใจมากเราก็มาปรารบตรงนี้ว่าเนื่องจากว่า พรุ่งนี้จะเป็นวันสําคัญแล้วที่นี่ก็จะมีกิจกรรมเนาะเราอาศัยว่าในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยจะมีวันที่ระลึกถึงเหตุการณ์สําคัญเราอย่าให้เหตุการณ์นั้นมันมีแล้วแล้วก็กลายเป็นธรรมดาเฉยๆจืดๆในใจเราให้เหตุการณ์เหล่านั้นเมื่อถึงครบกําหนดขึ้นมาแล้วเนี่ยให้มันมากระตุ้นกระตุ้นเตือนใจว่าเราอย่าประมาทเราผ่านวันมาคาบูชามากี่ครั้งแล้ว เราได้ประโยชน์จากวันนี้แค่ไหนแล้วเราจะอยู่บูชาในวันมาฆะได้อีกอกี่ครั้งชีวิตนี้น้อยนักเป็นคําในพุทธพจน์นะชีวิตนี้น้อยนักอย่าประมาทเวลาผ่านไปแล้วไม่สามารถเอากลับคืนมาได้อาจจะหมุนไนกาเอาเข็มทวนได้แต่ในขณะที่เอาเข็มทวนเวลาผ่านไปอีกแล้วเวลาเป็นสิ่งสมมุติก็จริงแต่มันผ่านไปแล้วผ่านไปเลย ไม่กลับคืนมาชีวิตเราก็ผ่านไปชีวิตนี้จะมีค่าหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ชีวิตแบบไหนใช้ชีวิตเพื่อจ ะ, จะเจริญสติเพื่อจะทำจิตให้ยิ่งอธิจิตเตจะจารโยโคเนี่ยเราทำหรือเปล่าถ้าไม่ได้ทำเราก็ปล่อยชีวิตนี้ให้สะสมอย่างน้อยน้อยก็อนุสัย <laughs> น่ากลัว ถ้าไม่ศึกษาพระธรรมไม่ปฏิบัติด้วยนะนเราจะสะสมความไม่ดีอยู่เรื่อยเลยสัพพปาปัสสะกัลลังเนี่ยเราจะสะสมอยู่เรื่อยเลยเราจะสัพปาปัสสะกรลลังอยู่เรื่อยเลยไม่ใช่อกระลังแล้วได้ทําอกุศลอยู่เรื่อยๆอย่างน้อ ย, อยก็อกุศลตัวละเอียดคือมีอะไรเกิดขึ้นแล้วในใจไม่ทันรู้ตัวไม่เจริญสติทีนี้ถ้ามันเกิดเติบโตขึ้นมากลายเป็นอกุศลระดับกลาง เราก็เริ่มจะมองเห็นเริ่มจะเจริญสติตัตวนี้ได้สําหรับคนที่ที่เริ่มฝึกจะเห็นอกุศลที่เป็นที่เป็นราคะแรงแต่ยังไม่ทันได้ทําผิดศีลจะเจอโทสะแรงแต่ไม่ทันทําผิดศีลถ้าไม่เจริญสติตรู้ทันมันอีกมันคราวนี้แหละมันจะทําให้เราไปทําผิดต่างๆทางกายทางวาจาให้วันนี้เราลึกถึงคําสอนของพุทธเจ้านะพุทธเจ้าเป็น เป็นศาสดาที่มีพระมหากรุณาและมีปัญญามากมีคำเตือนของครูบาอาจารย์อันหนึ่งบอกว่าเรามาเจอพระศาสดาผู้ยิ่งด้วยปัญญาคือยุคนี้พระพุทธเจ้าพระโคโดมเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าประเภทยิ่งด้วยปัญญาท่านจะสอนให้เหมาะกับเราพวกคิดมาก พวกคิดมากคนเนี่ยมันจะเหมาะกับพวกเรานอกจากนั้นแล้วก็ยังเหมาะกับท่านกสน็สอนหมดเลยสอนหมดเลยพวกที่มีสมาธิมากท่านก็สอนพวกที่มีความเพียรมากท่านก็สอนแต่มันมีคําสอนเน้นๆอยู่เรื่องว่าพวกคิดมากเนี่ยมีอยู่ถ้าเราไม่ทําตอนนี้นะแล้วถ้ายังมีบุญไปเกิดเจอพระพุทธเจ้าองค์หน้าท่านจะเน้นเรื่องวิริยะท่านจะสอนเราเดินจงกรมวันละ16ชั่วโมง ท่านจะไม่ไม่เน้นเรื่องออมีสติดูจิตดูความโกรธความโลภความหลงแล้วเราจะต้องไปทําความเพียรเดินกันน่องโป่งเขงานั้นแล้ว <c oughs> นั้นทําให้ได้ซะซะแต่ในศาสนาของพระเจ้าองค์นี้เราเราจะได้ไม่ไม่ทำในสิ่งที่ฝืนใจตัวเองต้องไปปลุกตัวเองมีความเพียรท่านบอกว่าต้องทํา ถ้าเจอคําสอนของพระพุทธเจ้าองค์นี้แล้วยังประมาทยังล่าช้ายัางคิดว่ายัางไงก็ได้เดี๋ยวช่านก็จะไปทำต่อกับองค์หน้ามันจะไปคิดอีกทีอย่างนี้กับองค์หน้าเหมือนกันนิสัยแบบนี้มันจะซ้ำซ้ำทาซ้ำซ้ำคนเราเนี่ยจะทําซ้ำซ้ำชาติแล้วชาติเล่าชาติแล้วชาติเล่าลมันไม่ใช่ชาติสองชาติไม่ใช่ร้อยชาติเป็นหมื่นมืนชาติ ไม่ใช่หมื่นเดียว 80,000 ่นชาติ 84,000 พชาติเป็นสํานวนนะจริงๆก็คือนับชาติไม่ท้วนถ้าคิดอย่างเดิมแล้วไม่มีการแก้ไขเล่าแทนนิดหนึ่งว่ามีเจ้าหญิงองค์หนึ่งมีโอรสตายพอลูกตายก็ร้องไห้ร้องไห้หาลูกคิดว่าผู้ที่จะช่วยได้คือพระเจ้ า, จามาร้องไห้ให้พระเจ้าได้ยิน บอกช่วยช่วยกระหม่อมชั้นด้วยลูกกระหม่อมชั้นตายเมือเจ้าถามกลับไปว่าลูกคนไหนล่ะลูกคนเนี้ชื่อชีวาตั้งชื่อดีเ้ยนะผู้มีชีวิตชีวาชีวาไหนล่ะ <c oughs> เธอตั้งชื่อลูกว่าชีวามาแปดหมสี่พันคนแล้ว <c oughs> แล้วลูกชีวาเนี่ยตายไป8ปดหมสี่พันครั้งแล้วเธอถามถึงลูกคนไหน <c oughs> ดูสิแม้กระทั่งตั้งชื่ อ, อยังตั้งซ้ำๆอยู่8 4ด0 0ันครั้ง8 0 0 0 0ืี่พชาติจะยิงวันนั้นฟังน้นแล้วโอ้ตกใจในความซ้ำซากของนิสัยตัวเองเข้าใจเลยว่าเรามีการเกิดมีการตายขอปฏิบัติธรรมขอบวชก็เป็นพระอริยเจ้าอีกองคหนึ่งเราเองก็ทำซ้ำาๆอย่างน่าจะซ้ำาๆอยู่นี่แหละถ้าไม่แก้ไขมันก็จะซ้าอย่างนี้แหละ วิธีแก้ไขคือหันมาเดินทางทางสายเอกอันนี้เจริญสติปัฏฐานให้ตรงกับจริตของตัวเองใครคิดมากให้ดูจิตดูทรรมใครไม่คิดมากทำสมาธิได้ดีแล้วก็ดูกายดูเวทนาทำไปแหละถ้าไม่ทำตรงนี้ก็สะสมอนุสัยต่อไปขอให้อนุสัยเจริญแต่ถ้านึกขึ้นได้ว่าฉันต้องทำแล้วขอให้มีสติเจริญขึ้นเจริญขึ้นตัดอนุสัยมากแล้วเราจะมีสติมาก ทุกครั้งที่รู้ทันว่าเมื่อกี้มีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นอะไรที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นขณะนั้นเราได้ตัดอนุสัยไปแล้วครั้งหนึ่งถ้ามีอนุสัยเกิดขึ้นมีอกุศลเกิดขึ้นมีสติแล้วเราก็หวังได้ว่าเราจะตัดพพตัดชาติจะถึงฝั่งที่พ้นทุกข์ไปได้นะก็ขอให้ทุกๆคนมีสติมั่นคงมีจิตใจที่มั่นคง มีสติมีสมาธิมีปัญญาแยกแยะขันท่าเห็นลักษณะของสภาพธรรมทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีปัญญาพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเจริญพร